คราบขอการจากปอาจารย์ยุกจิครับกราบขอการจากปอาจารย์มัฒนาชัยกราบขอการจากปอาจารย์สุรินแลวก็ขอการจากเพื่อนสาธรรมิิกจริพนพรพวกเราไม่ฉี่เนะาะญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาก็ไปอยู่ผู้หลงพรรษาหนึ่งก็มีเรื่องของผู้หลงมาฝาก ที่ผู้หลงมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีหมาขวัญใจมีแมวขวัญใจของผู้คนที่ผู้หลงนะผู้หลงคนไม่มากนะก็มีพระจำพรรษากันอยู่กาวรูปนะรวมหลวงพ่อด้วยแล้วก็รวมพระอาจารย์เปรสารด้วยแล้วก็แม่ชีหลักๆ ก, ก็มีอยู่สี่นะมีอยู่สี่ท่าน ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นห้าเป็นหแล้วก็มีโยมอยู่อีกก็โดยทั่วๆไปก็จะมีสักสี่คนเดี๋ยวก็มีเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวก็มีอะไรต่างๆนานารวมทั้งหมดก็มีกันอยู่เท่านี้นะมีกันอยู่ไมกี่ชีวิตพื้นที่ก็เล็กๆไม่เหมือนกับที่ที่นี่นั่นนั่นคือคนด้วยพระด้วยชีด้วยหมาแมวด้วยก็อยู่ในที่เดียวกันก็ <c oughs> ก็เรียกว่าก็ใกล้ชิดกันหมามันก็ติดคนแมวก็ติดคนคนก็ติดหมาคนก็ติดแมวก็ตรงนี้นะเราก็เห็นนะมันก็พอมันติดพอหมาแมวมันติดคนมันก็จะตามคนไปตรงนั้นตรงนี้ต่างต่างอย่างตอนเช้า ทำบัดเนาะมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะขอตามขึ้นไปทำบัดด้วยถ้าเกิดว่าไม่เปิดประตูมันมันก็จะร้องแมวก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็กระโดดโลดเต้นผ่านก็มาได้นะก็จะเข้ามานั่งตักเข้ามานั่งตักคนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เรียกว่ามันมันก็เรียกว่ามันก็ทำตามทำตามใจอยากของมัน เวลาเดินบินธบัตนะในหมามันก็จะเป็นหมาหนุ่มเนาะปีนี้มันก็สามขวบเต็มเต็มสามขวบเต็มเต็มหมาหนุ่มมันก็โดยสัญชตาตญาณของมันมันก็อยากไปอวดหนุ่มนะอยากไปอวดหนุ่มเส้นทางเดินที่วัดก็จะเป็นเส้นทางตั้งแต่วัดป่ามหาวันจนไปนู้น หมู่บ้านเนาะระยะทางก็4ี่กิโลผ่านก็เรียกว่าผ่านตลอดทางเงี้ยตลอดทางก็จะมีหมูหมาเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างนั้นไอเจ้าหมาหนุ่มตัวนี้มันก็เหมือนกับมันก็อยากตามนะมันก็ทําตามใจอยากมันก็ตามไปพอเวลาผ่านบ้านไหนที่มันก็เรียกว่ามีหมาตัวใหญ่กว่ามันเคยเป็นเจ้าถิ่นกว่าอะไรเงี้ยนะ มันก็จะมาแอบแอบอยู่ข้างหลังเอาก้นมาถูเรามั่งอะไรมั่งเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับให้ใจมันสบายนะว่ามีมีเพื่อน <c oughs> มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่เวลาที่มันไปตรงไหนที่หมาเล็กกว่ามันก็จะวิ่งกะกาออกไปอะไรต่างๆมันก็ทำแบบนี้นะถ้าตรงไหนที่เรียกว่ามีเจ้าถิ่นตัวใหญ่จริงๆแล้วมันก็ดูท่าทางว่ามันสู้ไม่ได้เนาะมันก็จะ หลบหมายถึงว่าหลบออกว่ายน้ำไปเจอกับเราข้างหน้าเลยมันก็หลบเข้าป่าไปข้างๆแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้คือหลบไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เปรียบมวยกันไม่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็มันก็แบบนี้นะก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วมันก็เหมือนกับไอความที่มันทําตามใจอยากมันอยากตามคนมันติดคนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ ถูกกัดถูกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เจ็บไปเนะาะก็เรียกว่าเจ็บไปเป็นกำใครกำมันไปก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยมันยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันก็เป็นเป็นสัตว์เนาะมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันไม่มีวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเองใจอยากเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้จะกเรียกว่าไม่รู้จะมีวิธีการทำยังไงที่จะทำให้ไม่เป็นธาตุของใจอยากตรงนั้น ก็วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะับอย่างเงี้ยไปบางวันก็ใจมันก็ฮึกเหิมเนาะมันก็กล้าเผชิญหน้ากับไอ้หมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยเนาะหางมันก็ตั้งเนาะหางมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่หลบไม่หางไม่จุกตูดก็เรียกว่าอย่างเงบางวันมันก็เกิดนึกกลัวขึ้นมานะให้หมาตัวเดิมเนี่ยนะมันก็หางมันก็จุกตูดนะอย่างเงี้ย <ป>คือเราก็มองเห็นนะว่านี่คือมันก็มีนะจิตใจของมันมันก็มีนะมีใจอยากมีใจกลัวมีใจกล้ามีความกากันอยากโชว์อยากอะไรต่างๆนานานเหล่านี้อะไรเงี้ยเนาะตรงนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็มองเห็นนะว่ า, าคือพอเราเป็นเป็นก็เรียกว่า เ, เป็นสัตว์โลกเนาะมันก็ต้องมีกายมันก็ต้องมีจิตอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้น นั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอมันเป็นเดรัจฉานมันก็ไม่รู้จะจัดการกับไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกับทุกข์ในใจของมันหรือเราจะเรียกว่าความทนไม่ได้เนาะอย่างเวลาเห็นพระบินทบาทก็ทนไม่ได้ก็ต้องวิ่งตามไปวิ่งวิ่งไปด้วยกันนะไม่จะอาจจะไม่ใช่เรียกว่าตามไปนะแต่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกมันก็ไปอวดหนุ่มของมันด้วยนะอย่างเนี้ยนะอย่างนั้ น, ะ น, นก็ตรงนั้นมันก็ ก็เรียกว่ามันมันทนไม่ได้ใจมันทนไม่ได้เราก็เห็นเห็นเนาะอย่างนี้เนาะอย่าง้คือเวลาที่เราเห็นภาพแบบนี้ทีเราก็นึกถึงเออคนเราก็โชคดีนะที่ว่าเราก็มีวิธีการจัดการกับทุกข์ในใจอยู่ของเราไอ้ความที่เราเรียกว่าทนไม่ได้เนาะใช่ไมอย่างนี้คือทนไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ เราเขาคงจะพูดกันอยู่เสมอๆใช่ไหมฮะว่าทนไอ้นั้นไม่ได้ทนไอ้นี่ไม่ได้อะไรต่างๆนานาเหล่า น, า น, า น, า น, านี้แต่ว่าสิ่งที่สับนี้เกิดขึ้นมานั้นก็จะเขาเรียกว่ามันจะระบุลงไปเนาะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าในใจมันทนไม่ได้เพื่อในใจมันทนไม่ได้เนี่ยเราเองเราถ้าหากไม่มีวิธีการที่จะจัดการกับกับความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็ต้องทําตามใจอยากไป จะไม่หายอย่างเงี้ยก็เหมือนหมาแมวที่ที่วัดผู้หลงก็เหมือนกันเนี้ยอย่างเช้าเช้าก็จะมีพระบางรูปที่เหมือนกับให้อาหารเขาในตอนที่ขบฉันอย่างเงี้ยก็จะมีญาติโยมบางคนที่ให้อาหารจะมีแม่คนแม่ชีบางคนที่ให้อาหารหมาแมวมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาระหว่างคนกับพระระหว่างชีกับพระอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ยวิ่งกลับไปกลับมาเพราะอะไรมันก็เหมือนกับมันก็อยากใช่ไหย เคยจําได้ว่าเคยได้อาหารตรงนี้ก็อยากกินก็วิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวก็วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปแล้วนั่นถ้าเกิดว่ามองภาพเนาะมองภาพรวมๆมันจะวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตรงนี้วุ่นวายมากๆนะฮะอยนี้ก็ตรงนี้เองนะมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่รู้จักห้ามใจหยามบนะแล้วมันก็ไม่รู้เวลาเวลาไม่เอ๊ะเวลาเวลานี้มันเป็นเวลาเวลาที่ มันควรจะอะไรยังไงเพราะเนื่องจากว่าไม่พวกหมูแม่ชีเขาก็จัดการไปแล้วนะมหนมายถึงว่าเขาก็เห็นภาพอันนี้อยู่แม่ชีเขาก็จัดการด้วยการที่ให้มันกินข้าวโอ้แล้วเขาก็ให้กินข้าวทีนะเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็คลุกอาหารให้มันแบบมีอาหารที่เตี้ยไมให้มันอย่างดีมากๆเลยกินกันจนอิ่มท้องกลางแล้วเนี่ยแต่พอเวลาที่ถึงเวลาขบฉันมันก็อย่าง เราทาปฏิกิริยาอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันไม่ฉีก็ก็ให้ทุกวันนะฮะอย่างเบางพระบางลูกก็เป็นห่วงนะก็บอกเอ๊ะวันนี้ไม่ชีให้หรือยังอะไรเงี้ยต่างๆก็ก็จริ ง, รงๆแล้วก็คือพอให้แล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ความที่ใจก็อยากอีกเนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้นหมาก็มีปฏิกิริยามากกว่าแมวหน่อยนะไอเจ้าหมาตัวนี้มันก็รู้จักเขาเรียกว่า มันก็มีท่าไม่ตายก็มันท่านึง <c oughs> คือท่าเอาคางมาเกยอย่างสมมติถาาว่าเป็นอาสนะอย่างนี้นะมันก็จะเอาคางมาเกย <c oughs> แล้วก็จะมาจ้องหน้า <c oughs> คือถ้าเกิดว่าอันนี้คือท่าไม่ตายของการขอถ้าวิ่งมาแล้วยังไม่ได้เนี่ยนะจะเอาคางมาเกย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มองหน้าพระ <c oughs> ก็ท pues, ่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าไม่ตายที่พระท่านก็จะใจอ่อนนะท่านก็ทนไม่ได้กับท่าแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นท่านก็ให้ไปคือพวกปฏิกิริยาพวกนี้เนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรามองตามสิ่งที่เราเรียกว่าขันทั้งห้าหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนาะพอเวลาที่ตาเห็นรูปเนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ เราก็เห็นนะมันก็เกิดความจําขึ้นมาอัานนี้รูปแบบนี้มันทําท่าแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็เป็นท่าที่มันขอใจเราก็ปรุงแต่งไปา่าโอ้แบบว่าใจเราก็โอ้สงสารมะนะมันขอก็อยากให้มันกินก็ลืมไปนะว่านี่มันก็กินจนอิ่มท้องกลางไปแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆนานาหล่านี้ก็ตรงเนี้ยฮะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่เราปฏิบัติทํากันสิ่งที่ เกิดขึ้นข้างหน้าเราสิ่งที่เห็นข้างหน้าเราต่างๆเราก็จะเห็นภาพเนาะก็เรียกว่าภาพธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บอกเราเอาไว้ต่างๆนานาเหล่านี้เกิดความรู้สึกเกิดการนึกเกิดการคิดอะไรต่างๆนานาหลังตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเป็นพลวัตเนาะทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการตอกย้ําถึงสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติทำกัน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็ขับเคลื่อนเนาะสิ่งต่างๆที่เป็นไปในโลกนี้ตรงเนี้พระพุทธเจ้าเองก็เรียกว่าได้ได้สรุปเนาะได้สรุปให้เราพอสรุปให้เราเป็นเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นหมาก็ดีจะเป็นคนก็ดีอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็สรุปว่า อ, อ๋อนี่มันก็เป็นรูปนะ พอเป็นรูปใช่มันก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับคล้ายๆมันก็ช่วยย่นย่อเนาะย่นย่อให้กับเราไม่เป็นคนนั้นไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นหมาตัวนั้นไม่เป็นหมาตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้ดุไม่เป็นตัวนี้น่ารักไม่เป็นอะไรต่างๆนานามันก็เป็นรูปรูปหนึ่งมันก็มีมีรูปรูปเนาะถ้าหากว่าไม่มีจิตใจเข้ามาใส่อยู่ในรูปตรงนั้นรูปก็ทำอะไรไม่ได้นะอย่างนั้น รูปก็เหมือนกับว่าก็เป็นท่อนไม้ท่อนปืนหาประโยชน์ไม่ได้เหมือนอย่างที่พระอาจารย์มณัชชัยพาสวดกันเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากสัตว์เนาะสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นคนก็ดีจะเป็นหมูมากาไก่แมวเมออะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นสิ่งแบบเดียวกันก็คือก็จะมีกายมีรูปตรงนี้ใช่ไอย่างนั้น ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้มองเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี้ยนะก็คนเราก็ก็เรียกว่าโชคดีมากๆที่เรามีวิธีการที่จะเรียนรู้ที่จะเหมือนกับฝึกผลจิตใจนี้หรือว่ามีการเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจนี้เราตกเป็นทาสของความอยากเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่งั้นเราก็เป็นเหมือนหมาแมวเนาะ นึกอยากตรงนั้นก็วิ่งไปตรงนี้นึกอยากตรงนี้ก็วิ่งไปตรงนั้นในอัต่านานๆแบบนี้สับสนไปหมดชีวิตเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการเจริญสติตรงนี้สติก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ก็เรียกว่าจิตใจเราก็ดีร่างกายเราก็ดีเป็นผู้ถูกดูแลเนาะอย่างนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับหลงงพ่อคเขียนก็บอกนะบอกว่าคือสติเนี่ย มันก็จะช่วยผาร่างกายจิตใจของเราที่มันบอบช้าจากการที่การทำตามใจอยากเนี่ยก็เหมือนรถที่มาเข้าอู่นะก็มาซ่อมมาพ้นสีแล้วก็จะใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ช้า ไ, ไม่ชอกต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่คือก็เรียกว่าสิ่งที่เราต้องมาฝึกสติกันกับพระเหตุนี้ถ้าเราไม่มีไม่มาฝึกสติกันเนี่ย คือชีวิตของเราก็จะสับสนมากๆนะแล้วก็การที่เราทำตามใจอยากเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดล่องลอยเนาะของการทำตามใจอยากอันนั้นเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นทางกายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเกิดทุกข์ใหม่เพิ่มขึ้นก็มีเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นพพเป็นชาติใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ต้องมี เรียกพอมันมีเหตุใหม่เกิดขึ้นก็มีเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้พัวพันกันไปไม่จบไม่สิ้นเป็นวัฏฏะสงสารวนเวียนกันไปวนเวียนกันไปนั่นก็คือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่พอเราปึกสติกันเรื่องราวต่างๆที่ไม่ควรเกิดก็ไม่เกิดเมื่อเรื่องราวต่างๆไม่ควรเกิดก็เรื่องที่ตามมาก็ไม่มีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าบางทีเราฝึกสติกันเนาะ เฝึกสติกันการที่เราฝึกกันแล้วก็ได้เอามาใช้มองภาพในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับว่ามีธรรมเนาะแล้วก็ได้เห็นธรรมะต่างๆได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็เป็นความที่เรียกว่าพอพอเราได้มองเห็นภาพที่มันต่างไปจากการที่เราเหมือนกับ เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ธรรมะตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าพุทธเจ้าเองได้ช่วยยอ่อนะได้ช่วยย่อสิงงนานาน า, น า, นาให้เราเนี่ยได้เข้าใจให้เราได้เข้าใจความเป็นไปมันมีเหตุแบบนี้เนาะก็มีเหตุเกิดขึ้นก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นรายละเอียดที่เมื่อก่อนมันเกิดจากการปรุงแต่งของเราเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่ามันก็ไม่ก็เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะเกิดการปรุงแต่งไม่สามารถที่จะทําให้เราเกิดความสับสนเกิดอะไรต่างๆนานาอย่างที่วัดเนะก็จะมีเรื่องราวที่ก็เรื่องเป็นประจำเนาะเรื่องหนึ่งก็คือคนอกหักเนาะ <c ười> คนอกหักก็เข้าวัด <c ười> คนอกหักก็เข้าวัดถ้าเราพูดถึงกันก็คือ คนที่เคยอยู่ด้วยกันเนาะใช่ไหมฮะก็แยกจากกันไปอย่างนี้อย่างนั้นก็สาเหตุใช่ไหมสาเหตุของความอกหักมันก็จะมีสารพัดสารเพนะว่าสาเหตุในรูปธปรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานานะแต่พอเวลาที่เราอยู่ในทางโลกเนะี่ยรูปธรรมต่างๆเราก็ติดเนาะอย่างวันหนึ่งก็มีโยมโทรศัพท์มาหาบอกว่าโอ้แบบว่าเขาทุกข์มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนานะ เขทุกข์มากมเลยผมแบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีร้องผมร้องไห้มาในทางโทรศัพท์ก็บอกโอ้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะดีมากมากนะที่แบบว่าโทรมาหาพระนะไม่คิดเป็นอื่นก็ดีแล้วลยอะไรเงี้ยนะเรค่อยๆเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอบอกว่าเนี่ยครับแฟนผมหนีไปหาผู้หญิงอื่น พอเราฟังอย่างนี้ใช่ไก็บอกว่ามันก็บอกว่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไอ้เรื่องแฟนเราจะไปไหนอะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้มันก็มีเรื่องที่ต้องแยกกันเนาะอบางทีมันก็มีการตายจากกันก็มีอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นคือมันไม่ใช่ว่าเขาไปหาผู้หญิงอื่นแล้วมันจะทําให้เราต้องเจ็บช้าน้ําใจมากกว่านี้หรืออะไรต่างๆมันทาให้เราต้องไปนั่งคิดว่าเอ๊ะเราเป็นยังไง คุณสมบัติไม่ดีพอหรือไงแฟนเราถึงได้หนีไปหาผู้หญิงอื่นหรืออะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้ซึ่งนั่นก็คือพอเวลาที่มีเรื่องมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยพอเวลาที่เราไม่มีสติดีพอเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนาๆนาเหล่านี้ซึ่งนั่นก็คือมันเป็นเรื่องที่มันแค่มีเหตุเนาะใช่ไหมมีเหตุที่จะมาอยู่ด้วยกันเนาะก็มาอยู่ด้วยกัน มีเหตุที่จะทําให้ไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่อยู่ด้วยกันคือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ย่อไว้นะคือพอเราตัดเรื่องราวต่างๆนาน า, นาที่เป็นรายละเอียดติีกย่อยที่ทําให้จิตใจเราแบบว่าไปเขาเรียกว่าไปปรุงแต่งเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนาน า, นามากมายใช่ไหมอย่างนั้นมันก็ทําให้เรื่องราวเนี่ยมันก็จบลงง่ายมากๆเรื่องราวที่อ้อนี้วันนี้เคยอยู่ด้วยกันเนาะ พอเวลาที่ไม่อยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเพราะตายจากกันก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นป่วยเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลแยกกันชั่วคราวก็ได้หรืออะไรไงต่างๆนานาเรื่องนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเออพอเวลาที่เรามองด้วยเขาเรียกว่ามองด้วยหลักหลักธรรมเนี่ยเรื่องราวที่มันเขาเรียกว่าวุ่นวายวุ่นวายในชีวิตของเรา มันก็กลับกลายเป็นเรื่องที่น้อยๆไม่มากเรื่องที่มันเคยหนัก อ, อกหนักใจมันก็กลายเป็นเรื่องที่มันแบบว่าไม่หนักอกหนักใจเพราะว่ามันคลี่คลายง่ายมากๆตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นี่คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกเราปฏิบัติธรรมกันพอเราปฏิบัติธรรมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเริ่มเขาเรียกว่ามีธรรมเนาะใช่อย่างั้นเริ่มเข้าใจเข้าใจธรรมพอเริ่มเข้าใจธรรมเราก็จะมีธรรม พอเริ่มมีธรรมแล้วก็จะเริ่มใช้ธรรมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นลำดับเป็นลำดับไปเนาะการที่เราค่อยๆ ย, ยกมือสร้างจังหวะขึ้นมาเนาะการที่เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนาะเาเรียกว่าเราก็มีหลักครูบาอาจารย์ก็บอกบอกว่าโอ้ให้เรากลับมาเนาะดูไกลที่เคลื่อนไหวเนาะกลับมาเนาะเอาใจคอยมาไหมกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เราเริ่มทำไปเริ่มทำไปตรงนี้เนียเ่ยจังหวะจังหวะตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้เราแบบว่ามีสติเนาะมีสติที่จะกลับมากลับมาดูดูกายเนาะกลับมาดูกายแล้วก็กลับมาดูที่ใจด้วยเราก็ดูกัน2เรื่องนี้ดูไปดูมานะดูไปนานๆก็เรียกว่าก็มีสมาธิพอมีสมาธิก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเนาะของกายของใจตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ เราทํากันไปวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้าวันเป็นเจวันอะไรต่างๆเราทําเรื่องเดียวเราทําเรื่องเดียวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีสตนะิก็เรียกว่าที่จะกลับมาดูความเป็นไปของกายดูความเป็นไปของใจมีสมาธิที่นานเพียงพอที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆ เราก็จะเหมือนกับเกิดความรับรู้เกิดความรับรู้ขึ้นมาเองอาจจะไม่ต้องมีภาษามีอะไรแต่ว่ามันเป็นความที่เราเรียกว่าเราเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพอเราก็ใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยธรรมะที่เราได้สวดกันทุกวันธรรมะที่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์กันทุกวันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบของภาพที่เราเห็นเห็นซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีก มันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นความทุกข์ของกายมันเป็นความทุกข์ของใจมันเป็นความไม่เที่ยงของกายมันเป็นความไม่เที่ยงของใจมันเป็นสิ่งที่กายใจนี้มันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถกําหนดมันได้เนาะอย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปมันอยากจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราเองเราจะมีความตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็ไหวไปตามสิ่งที่ ไม่เที่ยงตรงนี้เนาะเราก็เป็นทุกข์ไปกับสิ่ง ต, ตา่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอเวลาที่เรามีความตั้งมั่นที่จะเป็นผู้ดูมากขึ้นตรงนี้เองเราก็เห็นไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองเราก็ค่อยวางใจได้โอนี่มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองพอเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไปกับสิ่ง ต, ตา่างๆที่เกิดขึ้น ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความจริงนะก็เรียกว่าเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าเองก็ยอ่อเอาไว้ให้เราว่าโลกนี้ธรรมชาติต่างๆในโลกนี้นะก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนตรงนี้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆค่อยๆปรากฏให้เราได้เห็นค่อยๆปรากฏให้เราได้สรุปเนาะอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิเนาะกับการที่จะมีสติคอยดูความเป็นไป ของร่างกายเนี่ยเราจะพบว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนะในเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันไม่มีอะไรอย่างอื่นอยู่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอยฟังความเป็นไปของกายคอยฟังความเป็นไปของใจเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยกลางวันก็อย่างนึงกลางคืนก็อย่างนึ่งนะ แล้วไอ้คำว่าอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในที่นี้นะมันก็ไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะจะมีอีกหลายหลายอย่างนะเงงนานะเ ด, นนะเดี๋ยวท้องไส้กลงคืนนะเราเดินจงกรมไปเนะเดี๋ยวท้องไส้ก็ร้องจอกจอกนะเอาเดี๋ยวท้องท้องไส้ร้องจอกจอกเดี๋ยวก็หายลมเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็เอากลืนน้ําลายเนาะเอาเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็แบบหาวบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆคือ ป, ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายพวกนี้เนี่ยมันก็รอนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นอย่างนี้แต่ภายใต้ความไม่เที่ยงตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความทุกข์เนาะของเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในกายนี้อย่างเนี้ยเนาะเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้มันก็เกิดการหาวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้เกิดการไายลมขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ทนไม่ได้เกิดน้ําตาไหลขึ้นมาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ถ้าเราดูถ้าเราเฝ้าดูมันก็เป็นอย่างเนี้ยกันทุกวันนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้กายนี้เนี่ยเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่อยากให้เป็นนะแต่ว่ามันก็เป็นของมันไปเองตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าตรงนี้มันคือกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันก็ยืนยันเนาะถึงแม้ว่าเราอยากให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นไม่อยากให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกับทุกวันนะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกต่างๆนานาเหล่านี้ พระเองที่ผู้ลงเนี่ยก็สังเกตนะบอกว่าในพรรษาทั้งพรรษาเนี่ยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแค่สมครั้งตรงนั้นเองเก้าสิบวันเนี่ยปรากฏว่านอกเหนือจากนั้นเนะมฆบังไปหมดเลยนะท่านก็บอกว่าโอ้วันไหนที่แดดออกเนี่ยก็ดีใจดีใจนะอย่างเนี้นะอย่างนั้ น, ะ น, นแต่ฟันไหนที่แดดไม่ออกท่านก็ ไม่ได้พูดนะว่าท่านไม่ดีใจแต่นั่นก็คือมันก็เป็นความไม่ดีใจที่เก็บงำไม่ได้ใจหวังจะให้แดดออกก็ไม่แดดมันก็ไม่ออกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือพอเวลาเราสังเกตเนี่ยแค่พระอาทิตย์ดวงเดียวนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่ดีใจกันอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่อย่างงี้ทุกวันทุกวันนะไอ้การวนเวียนวนเวียนอยู่ตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าการเจริญสติ เราจะไม่มีทางออกจาก้วังวนตรงนั้นเราก็จะทุกข์จะสุขจะทุกข์จะสุขซ้ำแล้วซ้ำล่าซ้ำซ้ล่าซ้ำล่ากับเรื่องราวต่างๆน า, นาแต่ว่ามันเป็นความเคยชินเมื่อเป็นความเคยชินเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นแต่พอเวลาถอยออกมาดูพอเวลาที่เราถอยออกมาดูดูความเป็นไปของกายดูความเป็นไปตรงนี้เนี่ยของใจเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า การถอยออกมาดูตรงนี้ก็คือการที่เราเริ่มมีสติเนาะที่จะดูดูความเป็นไปเพราะเราดูความเป็นไปตัวนี้เราก็จะได้ข้อสรุปเนาะตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทางที่มันเคยวนวนวนวนกันวนกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเขาเรียกว่ามันจะเริ่มไม่วนแล้วเนาะอย่างเนี้นั้นนั่นคือตรงนี้นะเป็นสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญสติของเราเนี่ยพอเราเริ่มเดินเจริญสติปุ๊บเนี่ย เส้นทางมันจะเริ่มเห็นความทุกข์เนาะอยู่ที่หนึ่งจะเริ่มเห็นความไม่ทุกข์อยู่อีกที่หนึ่งตรงเนี้ยเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บกไม่วนมันจะเป็นเส้นทางตรงพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราจะเดินไปทางไหนเราจะเดินกลับไปทางทุกข์หรือเราจะเดินหน้าไปสู่ความไม่ทุกข์นั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า วิธีการที่เราเองเราเจริญสติกันมันก็จะทําให้เราได้เห็นวิธีการที่จะพาตัวเองเนี้ยออกจากความทุกข์ไม่ยากเพราะนั่นคือมันเห็นเนาะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทุกข์ของกายมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์มันทุกข์มันเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้ก็อาจจะช่วยเยียวยากับมันได้หน่อยหนึ่งแต่ทุก์ทางใจเราก็จะมีวิธีการที่เราจะไม่ไหลไปตามความอยาก นั่นนั่นคือตรงนี้นะว่าการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไกลไปจับตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราพอเริ่มเนาะที่จะไม่ไหลไปตามสัญญาตยานเพราะมันนั่นคือตรงนี้เราไม่ใช่เป็นเหมือนสัตว์โลกอื่นๆเราเป็นคนเราเป็นคนเรามีสติเนาะเราสามารถพัฒนาสติของเราเป็นสัมมาสติให้มองกลับเข้ามาเห็นความจริงในกายในใจเราได้หมูมาก็กายมันก็มีสติเนาะ แต่มันไม่มีสัมมาสติที่จะมองกลับเข้ามาเห็นความเป็นไปของกายของใจมันนั่นมันก็มไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบมันก็ไม่สามารถที่จะก็เรียกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมอย่างนั้นพอเราอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนี้ยความทุกข์เนี้ยมันหายไปเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นความเป็นไปเนาะของคนที่เป็นสัตว์ประเสริฐ นั่นนั่นคือตรงนี้ถ้าหากว่าพวกเรามีวิธีการแบบนี้เนี่ยพวกเราก็จะค่อยๆยกจิตจกใจของเราเนี่ยออกมาจากห่วงทุกข์เพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะที่อยู่ในวัดที่นี่ได้มีครูบาอาจารย์ได้มีหลวงพ่อคำเขียนได้มีพระอาจารย์เผยสารได้มีหลักของหลวงพ่อเทียนได้มีครูบาอาจารย์ต่างๆที่พูดธรรมะให้กับพวกเราได้ฟังกันทุกวันทุกวันทุกวัน รวมถึงเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเองที่เราได้สวดกันทุกวันตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอาธรรมะตรงนี้เนาะมาใช้กับชีวิตประจาวันของเราใช้ตรงไหนก็ได้เนาะจะใช้กินใช้เดิ น, ใ ช, ดนใช้นั่งใช้นอนอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็จะได้นั่งเนาะก็ทำความดีได้ยืนก็ทำความดีได้เดินก็ทำความดีได้นอนก็ทำความดีได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจิตใจเราจะไม่ตก ไม่จมไปอยู่ในปลักของความทุกข์นั่นก็คือตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนาะได้เพียรที่จะปึกสติแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยไปพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนก็พวกเราก็กลับหาพร้อมกัน